พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจ็ดลำดับที่สี่โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบสามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าศีลห้ากับอาเซียนวันนี้เป็นวันที่ สิบสามพุทธจิกายนพุทธศักราช2556วันที่17เป็นวันหมดเขตกระถินพระนวกะที่มาบวชวัดของเรารดแรกเมื่อรับกระถินเสร็จวันที่27วันสองวันก็ได้ลาสิกขาไปชุดหนึ่งแต่ครั้งนี้เป็นชุดที่สองจะมีลาสิกขาไปหรูป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 แต่ปีนี้ลูหลวงพ่อเองก็รู้สึกว่าบกพร่องไปบ้างแต่คําว่าบกพร่องคํานี้ก็คือหลวงพ่อไม่ได้ไปชุมในระหว่างตามปกติหลวงพ่อจะไปชุมในระหว่าง8ปดค่ำสิบ้าค่ำในระหว่างกลางหลวงพ่อจะมีการไปชุมพระเป็นระยะระยะแต่ปีนี้รู้สึกภารากิจของหลวงพ่อและก็พร้อมกันก็อายุสังขารร่างกายของหลวงพ่อก็อย่างที่พวกเราลูกหลานาได้เห็น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 พบได้ผ่านมาได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนลูกหลานแต่บัดนี้ลูกหลานก็ได้ครบกาหนดที่จะลาสิกขาตามกาหนดที่ได้ตั้งใจเอาไว้หลวงพ่อเองก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาจากลูกหลานทุกคนที่เข้ามาบวชด้จดตนาดีแล้วก็ตั้งอกตั้งใจตามสติกําลังความสามารถของแต่ละคนแต่บัดนี้ก็ได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 ชูประชาคมอาเซียนด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันได้อย่างไรในหลักธรรมคาสอนฮ เ, เขาตั้งคําถามนะแต่ลุงพ่อก็บอกว่าตรงเขาก็มาถามนะเขาก็ตั้งเนี่ยนะตั้งกล้องอวิดีโอตั้งกล้องโทรทัศน์ถ่ายถ่ายทำเหมือนกับทาหนังอะ่ะหลวงพ่อก็อเอาได้จากนั้นลุงพ่อก็ได้แนะนําตัวเองก่อนเพราะว่าเนี่ยคนที่พูดเนี่ยขนาดนี้นะ เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแต่เขาจะเชื่อถือไม่เชื่อถือถื อ, อยังไงหลวงพ่อไม่ว่าแต่ว่าหลวงพ่อจะต้องแนะนำว่าคนที่พูดเนี่ยเป็นใครมาจางไงก่นจะเชื่อถือหรือไม่เชื่อถืออ น, นั้นเราไม่ว่าแต่ว่าเขาควรจะรู้ว่าผู้ที่กำลังพูดนี่คือใครหลวงพ่อขอแนะนำตัวก่อนนะเพราะเหตุใดเพราะถ้าพวกท่านทั้งหลาย พอเห็นขึ้นมาเลยเอ๊ะพระองค์ น, นี้มาจากไหนเป็นยังไงเขาก็จะสงสัยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อขอแนะนำตัวเองว่านี่คือหลวงพ่อ wise, อินทไวรยสันตุสโกภุมลำเนาอยู่ที่มุกดาหารบวชกับหลวงปู่ล่าเกมะปตะเป็นสมเณีเมื่อบวชอายุของหลวงพ่อ11อย่าง12ปี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 ที่ภูจกอบวชที่มุกดาหารจากนั้นมาจำพรรษาที่ภูจกออีกหนึ่งปีเป็นพระ1นปีเป็นจำพรณาปีอยู่ที่ภูจกอจากนั้นหลวงพ่อได้ออกมาที่มุกดาหารที่วัดหลวงปู่จามหลวงปู่จามเป็นหลวงอาท่านมุงมาจากเชียงใหม่ท่านก็ได้มาเยี่ยมโยมมรรดาของท่านหลวงพ่อก็ได้เป็นหลานของท่านลลวงปู่จาม ก็ได้ไปเป็นเพื่อนสหธรรมิกเพื่อไปเยี่ยมโยมมันดาโยมมนดาของหลวงปู่จามคือโยมย่าที่ท่านบวชเป็นเมชีเกือบสี่สิบพรรษาจากนั้นพอโยมมันดาของท่านจากไปหลวงพ่อก็ขึ้นไปทางเชียงใหม่ไปจำบรรษาที่กับหลวงปู่แหวนสุจินโนปีสองพอ 508จำพรรษาที่พูจ ก, กอ509จำพรรษาห้วยทราย510จำพรรษาวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่511พอออกพรรษาแล้วหลวงปู่จามจาเป็นได้กลับมาประมาณเดือนพฤษภามิถุนาจําพรรษาที่ห้วยทรายอีกรอบหนึ่งหลวงพ่อได้กลับลงมาจำพรรษาที่ห้วยทรายกับหลวงปู่จาม2511จากนั้นก็ออกพรรษาแล้วหลวงพ่อก็ได้กล่บาบลาหลวงปู่จามมาจำพรรษาที่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 มีความสุขไหมไปนึกเชืฉอใจกันได้ไหมแขอ้อที่สีมุษาโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันแล้วจะหาความสุขได้ที่ไหนไปที่ไหนมีแต่เขียนเช็คเดงให้กันบ้างว่าสินค้าจะมาวันนั้นวันนี้โกหกกันเป็นวันวันไปแล้วเป็นยังไงจะหาความสุขได้ไหมแคุ้มครองได้ไหมเนี่ยแล้วก็ข้อที่ห้าสุราเมระยะดื่มโชราและเมลยัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้ว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 หลวงพ่อมองไม่เห็นอย่างอื่นที่จะทำให้ประชาคมอาเซียนร่มเย็นเป็นจุกได้นอกจากศีลธรรมของพระพุทธเจ้า ข, ข้อที่สองค า, า, วารวะธรรมอีกสำหรับค า, า, วาราาวะคารวะธรรมธรรมของค า, า, วารวะสัจจะให้มีความสัตย์ต่อกันในการทำมาค้าขายไม่ใช่ว่าหลบหลบีลบลกๆกสินค้าจะมาวันนั้นเงินจะออกวันนี้เช็ค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 คำ ว, ว่าอดทนคำนี้นะ่ยอดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายความติฉินดินทาการดุด่ า, าว่ากล่าวล้วนแล้วจะมีขันติในการอดทนทั้งนั้นเพราะเราเกิดมาในมนุษย์ชาติจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะี่เพราะนั้นเราต้องอดทนเป็นพื้นฐานไว้ก่อนนะข้อที่สี่จาคะให้รู้จักเสียสละนะเสียสละต่อผู้มีพระคุณอย่างพ่อแม่ของเรา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 ไปไปสู่ไปสู่คราวาตจากนั้นหลวงพ่อแนะนาอีกว่าให้อยู่ในทิศหกให้นอบน้อมทิศ6กครวะทิศ6กกราบไหว้ทิศ6กอ่อนน้อมถ่อมตนต่อทิศทั้งหกถ้าผู้ใดอยู่ในทิศทั้งหกอ่อนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนกราบไหว้สักการบูชาทิศทั้งหกแล้วมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียว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 ครูบาอาจารย์ที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาวิชาอาชีพต่างต่างอันนี้ก็คือวิชาอาชีพของเราอันนี้เราครูบาอาจารย์คิดเบื้องขวาทิศเบื้องส้ายมิตรสหายมิตรสหายของเราการยาณมิตรเป็นยังไงถ้าเรามีการยาณมิตรที่ดีมีเพื่อนฝูงที่ดีรับมีหมูมีเพื่อนดี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 เป็นคําสั่งเสียสําหรับพวกเราจะไปสู่ครวญญาติโยมหลวงพ่อเองมองไม่เห็นอย่างอื่นที่จะเป็นสิ่งที่ล่อแหลมอันตรายสําหรับพวกเราที่จะไปสู่ครวญเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจักจะขอบอกกล่าวลูกหลานที่เข้ามาสู่วัดวาศาสานาของหลวงพ่อได้บวชหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเป็นลูกหลานของหลวงพ่อหลวงพ่อรับ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 เออผมอยู่ทั้งจังหวัดขอนแก่นนะออหมู่พวกเพื่อนมีอะไรฮะรถติดที่ไหนรถใต้ที่ไหนเกิดจะเร่งเรียกหาหมู่หาเพื่อนได้ได้ใกล้ไ อ, อ้นี่แหะคือหมู่เพื่อนกันยาณมิตรที่ดีเนี่ยไปอยู่นสถานที่ไหนดีทั้งหมดเนะ่ยข้อสัมพันธ์จะไปชวนกันขายยาบ้ายา마าท่านั้นนะออแหมในสิ่งที่มันชั่วอย่าไปลิธรรมอย่าไปทำ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 แหมหลวงพ่ออ่ะอย่าไปกินเหล้านะอย่าไปดื่มสุราจะไปดื่มเบียนะแหมอันนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะเหตุไรเพราะคนขาดจะติแล้วทำความชั่วด้ทุกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเพราะนั้นอย่าไปกินเหล้าถัดขืนกินเหล้าเข้าไปแล้วขาดจะติแล้วทำความชั่วฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าใครก็ได้เพราะนั้นต้องระมัดระวัง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 เ, ออเขาจะไม่ดื่มไม่ดื่มเหล้าเลยใช่ไหมเออนั่นนะอย่างก้นนะั่นสิมันจริงจะถูกยังเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อได้ เ, ออเทศไดนรับไะไรไหมฮะได้เหรอนั่นแหละอย่าไปเกณฑ น, นะมาอยู่สามเดือนหลวงพ่อแนะนำเมื่อนโทษของเหล้าคืออะไรเข้าใจไหมเอออย่าไปแตะมันไม่มีม่มีคุนหรมิตรโทษอย่างเดียวเท่านั้นนี่แต่สางสันเขาบอกว่า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 ใช่ไหมเท็ดนี่รนะับอะไรบนลละฮะบกค่อยรับไปได้ไหมทฮะไม่กล้า ร, รับไหไหวจะไม่มีข า, า, าสติครับฮะไม่มีขาดาาสติไม่มีข า, า, าสติถึงจะดื่มวัวไม่ให้ขาดาาสติ <S <S <S <S เป็นพระได้หรือเปล่าวะฮะต้องหยุดได้หละดีที่สุดนะเข้าใจไหม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 เ, เพราะนั้นหลวงพ่อจึงเน้นหนักด้วยข้อที่ห้ระมัดระวังในเมื่อมันขาดสติแล้วมันยับยั้งอะไรไม่อยู่เสียหายหมดเข้าใจไหมดออกเตร์ดออกเตร์รับได้ไหมนี่พยายามนะแต่วันธรรมดาเลยมีบ้างใช่ไหมพยายามไม่ได้อยู่เออไ่้สิเอาเอาให้มากๆนะเท็จตัวนี้ได้ท่านไหน ฮะมีอยู ja, ่ม <os> <de ye> ¿Eh? <de mar> <ves> ีสินอยู e ่ใช่ครับไม่มีสินทำไมมันจะมาขาดสินหา่ะไม่สมดรับดีกว่าโอ้มีวิธีเราเทคนิคเราเยนเทคนิคมีเพื่อนนี่สิไปหายากหาซาอย่างบอกว่าโอ้บ่ออะครเบ้ผมกินเหล่ามันแพร่ครับเข้าใจไหม โอ้กินไหนปลได้ลาไรปหมูขอขอเถอะมันแพร่ะมันบอกสบายเลยว่าใจสิขาดเลอะเออมันแพร่เถอะเอาหมู ก, กินเอะอยากได้ยังเอาเงินเอาไปเออเอออยาแต่จะให้ผมกินเถอะเถอะผมกินแล้วมันแพร่เถอะไผ่กินเหล่าโบแพร่ไหมจวะว่ากี่ตัวเขาโแมนเ อ, เอ๊เป็นบอละ่ะกินเข้าไปแล้วก็มันแพร่โลดแล้วเร็วไปไผ่ <laughs> จะโบแพรเหล่าไหมเออเมาโดดเลยกินแล้ว เอาหลวงพ่อจะปลดน้ำมนต์บัดนี้นะ